เดินในธรรมยัติโยมนะปฏิบัติทุกท่านฟังมาฟังใจของเรานะฟังธรรมก็ฟังใจเดี๋ยวนี้ไม่มาไม่ใช่คําว่าฟังธรรมไม่ได้ม่ได้ว่าฟังธรรมปฏิบัติธรรมเรียกฟังใจแล้วปฏิบัติใจแล้วทําใจดูใจเห็นใจแล้วก็ฝึกใจอันนี้เป็น หลักที่ใช้อยู่ตลอด <c oughs> แล้วก็สิ่งที่พระในสายงานหรือในทางวิธีการเราพูดก็จะพูดตตวเรื่องที่จะชักชวนให้ฟังใจว่าทำอะไรก็ตามอะไรเราฟังเมื่อคืนเนี่ยถ้าเราฟังใจของเราเราก็จะได้ปฏิบัติได้เยอะ การปฏิบัติมีมีหลายมิติหลายภาคหลายสถานการณ์แล้วแต่ว่าสถานการณ์นั้นจะเอื้อให้เราปฏิบัติแบบไหนนะถ้าเราทำวัดอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการดูดูใจเพราะสิ่งที่เราทำวัดกับสิ่งที่เรา รู้สึกขนาะนั้นนะมันสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันอย่างไรเส่นล้ยสวนบอกว่าจิต ท, ที่อบรมบริบูรณีแล้วเป็นจิต ท, ที่หาประมาณไม่ได้กรรมที่พัมพอประมาณกรรมนั้นจะไม่เหลือในจิตนั้นเวลาเราฟังจิต ท, ที่อบรมบริบูรณดีแล้วเป็นจิต ท, ที่หาประมาณไม่ได้ ไอ้จิตยังไงจิตที่อบรมบริบูรณ์ดีแล้วเอาอะไรมาอบรมในขณะที่เรานั่งเจริญสตินั่งเจริญสมาธิเรากำลังอบรมจิตของเราจิตของเรามันจะขัดมัจ ะ, จะขัดแยง้งขัดแย้งกับความจริงพอเราอบรมมันไปจิตหาประมาณไม่ได้หมายเพราะว่า ม, มันรับได้ทุกเรื่อง อะไรเกิดขึ้นมันก็รับได้ัหาประมาณไม่ได้เพราะมันรับได้ทุกอย่างจิตที่อบรมดีแล้วเป็นจิต ท, ที่หาประมาณไม่ได้กรรมที่ทำพอประมาณหมายความว่าในขณะนั้นไม่ว่าเป็นกายกรรมว่าจีกรรมมนุกรรมเนี่ยมันพอประมาณกับสติสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมันจะสมดุลกันพอดีถ้าเป็นน้ำก็พอดีกับไฟ ถ้าเป็นความมืดกับพอดีกับแสงสว่างแล้วกรรมนั้นจะไม่เหลือในจิตนั้นในขณะที่นั่งสร้างเทวะเราคิดอะไรขึ้นมาความคิดนั้นจะไม่ไม่ปรุงแต่งต่อเพราะมันไม่เหลือถ้ามันเหลือไมาความมันปรุงแต่งต่อถ้ามันปรุงแต่งต่อมันเหลือแต่แต่ปฏิบัติไปเนี่ยความคิดความปรุงแต่งมันไม่เหลือเพราะมันพอดีกับอํานาจของสติสมาธิปัญญาที่เราทําในขณะนั้นเล่วกรรมนั้นไม่เหลือในจิตนั้น กรรมที่พอประมาณกรรมนั้นจะไม่เหลือในจิตนั้นเห็นไหมแล้ว เ, เราทําในสิ่งที่เราเราฟังไม่ใช่ทําในสิ่งผู้พู ด, พ, ดพูดไปเรื่องหนึ่งผู้ทําก็ทําไปอีกเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่ามันก็เกิดทำมาหนึ่งเรียกว่าธทำที่ไม่เป็นจริงทำที่ไม่เป็นจริงก็จะเกิดกับความขัดแยง้งไม่ใช่การขัดเกลารแต่เราทําไปในสิ่งที่ เกิดขึ้นในกายในใจขณะนั้นมันทำให้จิตของเราเกลี้ยกล่ำเขาเรียกว่าฟังแล้วเกิดการขัดเกลาแต่ถ้าหากเราฟังแล้วมันไม่ไม่สอดคล้องระหว่างสิ่งที่เราฟังกับสิ่งที่เราทำมันก็จะเกิดการขัดแยง้งเป็นเหตุของทุกข์นะแต่คนทุกวันที่มีทุกข์กันก็เพราะมันไม่ยอมรับความจริงก็ความขัดแย้งก็เกิด เช่นเวลานั่งปฏิบัติสําหรับผู้ใหม่ก็จะเกิดการขัดแย้งมากกว่าการขัดเกลวเพราะอํานาจของสติสมาธิปัญญายังไม่เข้มแข็งเช่นเวลาเรานั่งปฏิบัติในตอนกลางวันร้อนมากๆประมาณเที่ยงถึงบ่ายสี่โมงเย็นเนี่ยมันก็เผาเลยนะจะเปิดพัดลมก็ไม่ได้พัดลมก็ไปเพิ่มความร้อนให้สูงขึ้นท่านก็ไม่เปิดสู้ นั่งดูมันบางคนที่ใหม่ก็ก็น่าเห็นใจมากๆก็ร้อนเพราะว่าทําใจไม่เป็นแต่สำํำนับคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ก็ยิ่งดีเพราะว่าจะได้ฝึกฝึกใจให้มายอมรับความจริงถ้าเรายอมรับความจริงความร้อนกับเราก็ไม่ใช่คนละอย่างเป็นอย่างเดียวกันเพราะในตัวของเรามันมีธาตุแหงความร้อนอยู่แล้ ว, วเรียกว่าธาตุไฟ ทีนี้ถ้าหากว่าเราสงเคราะห์ธาตุไฟภายนอกสังขหูเขาด้วยกันสังขาหูอะสังสังหูสังขหีเตนะสังคหีตังถ้าใช้หมดนี้มันก็สงสงเคราะห์กันได้ไฟภายในกับไฟภายนอกแต่ในกรณีที่ไฟภายนอกเนี่ยความร้อนภายนอกมันสูงกว่าความร้อนภายในมันก็เกิดอสังขหูสงเคราะห์กันไม่ได้จะทำอย่างไรก็จะเกิดการขัดแย้ง สมมติว่าข้างนอกเน่ะมันข้างในของเราเนี่ยแค่38 39องศาความร้อนแต่ข้างนอกมัน40ถึง44 45องศาเนี่ยไม่ส่งคลอแล้วข้างนอกมันเขโอเวอร์มันมากกว่าเราจะทำอย่างไรที่จะปรับความร้อนภายในเนี่ยให้มันไม่ใช่ปรับให้มันสมดุลกันนะไม่ใช่ปรับให้มันเท่ากันนะปรับให้มันลดลงมา น, น้ำกับไฟน้ำกับไฟถ้ามันเท่ากันมันจะทำให้น้ำเดือดถ้าน้ำกับไฟถ้าไฟมันมากกว่าถ้าไฟมันน้อยกว่าน้ำมันมากกว่าน้ำก็จะไม่ร้อนไฟก็ดับหลักของมันก็คือทำให้ความร้อนภายในต่ำลงมาถ้าความร้อนภายนอกสูงใช้วิธีไหนอืมจะมา ตั้งใจมาที่นี่สักสีห้าวันตั้งแต่วันที่ห้าถึงวันที่สิบแต่ที่ไหนได้ก็ว่างานที่ทําอยู่ที่บ้านฝักปานพอดีในช่วงที่อยู่ที่อเมริกายูแม่บอกเรงนี้ปีนี้ร้อนมากนะ้นําขึ้นไปใช้บุญภูเขาแห้งและทางขึ้นก็ลําบากอมาจัดการให้นะเพื่อมาจัดการให้ท่านทาถนนทําบ่อน้ำเสร็จเมื่อวานก็รีบเข้ามา แต่เหลือเวลาที่นี่เพียงวันเดียวคือวันนี้เท่านั้นแต่พรุ่งนี้ก็ต้องเดินทางต่อเขามีคอดอยู่ที่เชียงใหม่ตั้งแต่วันที่สิบถึงวันที่ยี่สิบก็เลยเดินทางต่อไปที่นั้นแต่ก็อุ่นใจว่าที่นี่มีครูอาจารย์มีญาติธรรมที่เข้มแข็งพอที่จะดูแลพวกเราได้โดยที่ <c oughs> ไม่ไม่มีความลำบากในการปฏิบัติก็เลยจะแวะมา วัน <c oughs> นี้เพื่อที่จะให้เราได้อยู่กับความจริงให้ชัดเจนทีนี้อยู่ที่นั่นมันก็ร้อนเหมือนกันบนภูเขาแต่ก็ไม่มีลมมันก็มีลมมาจะทำยังไงที่จะลดความร้อนอให้มันรงต่ำที่สุดก็ทำได้สองอย่างใ น, นเมื่อความร้อนภายนอกมันสูงมากแล้วก็ลดความร้อนให้ต่ำที่สุดภายในให้มันเป็นน้ำ ข้างนอกมันเป็นไฟมันก็จะดับสมดุลกันพอดีก็เลยอันดับแรกก็ที่ทำประจำก็คือผักอะไรที่เป็นผักรีดเย็น่ะเอาผักชนิดนั้นมาเป็นอาหารมันจะลดความร้อนภายในได้ถ้ามันยังไม่พออีกก็เอามาก็เลยเอายะนางเนี่ยมาปัน่นมาตําผสมกับ น้ำมะพร้าวไม่มีน้ำมะพร้าวก็น้ำหยกกล้วยผสมกันแล้วก็ทานวันละสี่ห้าขวดก็อยู่ได้สบายแต่มันยังร้อนไม่พออีกทำไงก็เอาผ้าอาบน้ำมาชุบน้ำแล้วก็หม่มแล้วก็ทำความเพียรได้ทั้งวันแต่วันนึงก็หมดหลผืนน่นนะอัน <c oughs> นั้นคือวิธีการที่เราสามารถที่จะสมดุลสมดุล น, นี้ไม่ใช่ทำให้มันเท่ากันนะ สมดุลนะทำให้มัน <c oughs> ปรับเข้าหาในส่วนที่มันอยู่ได้เพราะว่าทางจังหวัดแพร่เนี่ยร้อนกว่าจังหวัดอื่นทที่กล่าวเกินไปเมื่อคืนว่าอาชีพที่ทำที่นี่เป็นอาชีพที่เพิ่มความร้อนคืออาชีพทาไม้ทำการเกษตรก็ทาให้เพิ่มความร้อนแถมยัง ไฟนะไฟก็ยังไม่ป่าอยู่ตั้งแต่นู้นมาก็ยังไม่เสร็จก็ไหมอยู่งเงนะั้นแหละนะก็เลยเมื่อคืนนี้ลูกจากที่นี่ไปก็ไปเจอไฟป่าไฟไหมอยู่หลังวัดได้ยินเสียงพุ๊บทบทับทบท บ, ท บ, ทบมาก็าเลยเดินไปดับปูมันเยอะเหลือเกินก็เลยเห็นเนนกอุบายสุขเดินไปเอาไปช่วยกันดับไฟหน่อย สักพักนึงมาดับไปสักครึ่งนึงก็เลยมียุงเข็มตามไปโดยสองสามคนก็เลยไปได้ดับต่อกว่าจะได้นอนก็สี่ทุ่มสี่ทุมฝ่าเมาื่อคืนถ้าปล่อยให้ไหม้ก็ขึ้นมาถึงตรงนี้กัะบรรยากาศก็เดือดร้อนบรรยากาศก็จะเป็นมลพิษเพิ่มความร้อนให้กับโลกโลกุกภาวะลกร้อนเกิดขึ้นไปดับก็ได้ถึงมานอนกันเมื่อคืน ตอนนี้คือคอนจริงที่เราจะต้องช่วยกันทำก็ ค, คือลดความร้อนภายในลงร้อนทางส่วนกายก็บาบัดกายร้อนในส่วนใจก็บาบัดใจบางคนบอกว่าทำใจให้เย็นแล้วมันก็เย็นหมดอ่ะอันนี้ก็บางทีฮอทเทจจริงภายนอกมันก็ไม่ตรงกันนะเพราะนั้นเรามีธาตุไฟอยู่ภายในส่วนหนึ่งเราก็พยายามลดธาตุไฟในส่วนนี้ไม่ให้มันเพิ่มกับธาตุไฟภายนอก เพราะโลกถึงการวิบัตรริในหมายาว่าไฟความร้อนภายนอกเนี่ยมันก็จะมาเผ า, าเผาถ้าหากว่าในโลกนี้มันมันร้อนละอูอีกความร้อนภายนอกภายในมันมันจอยมันจูนมันเล็งใส่กันมันก็เกิดจุดเดือดอจุดเดือดภายในโลกใบ น, นี้มันก็จะเกิดเป็นภูเขาไฟระเบิดนี่เราก็เห็นปรากฏการณ์หลายแห่งใช่ไหม ภูเขาไฟเริเบิดที่อินโดนีเซียที่ไอแลนด์ที่หลายๆจุดมันก็เริ่มปะทุปะทุปะทุออกมาเพราะความร้อนภายนอกของพระอาทิตย์เนี่ยมันเข้ามาสู่โลกมากเกินไปเพราะโลกที่ถูกทําลายผิวถูกทําลายสิ่งของฮูเขาเรียกโอโซนมากเกินไปประกอบกับเมฆหมอกฝนบางจุดมันบางแสงขอาทิตย์กัททะลุลงมาส่องโลกทําให้ลาวาอยู่ในใจกลางของโลกมันเดือด มันก็ทะลุออกมาให้เกิดการวิบัติได้นะอันนี้คือความร้อนภายนอกกับความร้อนภายในพระพุทธเจ้าถึงตรัสเรื่องอาธิตตะประยายไดสูตรเอาไว้ว่าถ้าที่จะเกิดขึ้นเจ็ดดวงเมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นหละโลกนี้ถึงการวิบัติอยู่ที่เรานี่หกดวงนะตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ดวงจริงดวงที่เจ็ดอยู่สุริยะจักรวาล ถ้ามันจอยมันเผาถึงกันเมื่อไหร่ก็แล้วก็โลกนีวิบัติอ่ะดังนั้นก็เราก็ทำอะไรมันไม่ได้เป็นกรรมรวมที่สร้างกันมาเราก็ต้องมาสร้างลดพาธิตฐ์หกดวงเนี่ยให้มันเหลือดวงเดียวนะเหลือดวงไหนทามเป็นข้อสอบแล้ววันนี้นะลดพาธิตฐ์ความร้อนหกดวงไหนร่างกายของเรามันมีหกดวงเนี่ย เรามเหลือดวงเดียวอ่ะจะให้มันเหลือดวงไหนปฏิบัติกันมาหลายวันแล้ววันนี้อขอสอบนะบางคนก็เหลือดวงใจคงไม่ใช่มั้งเหลือดวงไหนยมความผ้าทิตย์ความร้อนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนะี่ยให้มันเหลือตรงไหนรวมแล้วเหลือสองดวงดวงกายกับดวงใจ หรือสองดวงดวงกายกับดวงใจทีนี้สองดวงเนี่ยเราจะดับดวงไหนความร้อนจะดูดวงไหนมากกว่าบางคนก็บว่าดวงใจ <c oughs> แต่ถ้ า, าว่าเราปฏิบัติจนว่าใจของเราเย็นแล้วเนี่ยกายมันยังร้อนอยู่ไหมเราปฏิบัติทําได้ดีๆถามว่าหลวงพ่อร้อนหลวงพ่อก็ร้อนเออแสดงว่าใจเย็นแล้วกายมันก็ยังร้อนอยู่ก <c oughs> ็เหลือที่ดวงกายก็มาดับที่กายช่วยมัน ก็อย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้กินอาหารธาตุเย็นอาบน้ําเย็นการเปิดพัดลมเย็นการเปิดแอร์เย็นช่วยได้ระดับหนึ่งนะอันนี้ก็พออยู่ได้แต่ถ้าบอกว่าเราก็ร้อนก็ไม่เป็นไรแล้วก็สามารถที่จะปรับความร้อนให้เป็นอันเดียวกับกายของเราถ้าหากว่าคนที่ยังไม่เก่งปฏิบัติยังไม่เก่งยัง ก็ทํายากก็ยังใช้อะไรใช้ความอดทนที่นี้ความอดทนของเราเนี่ยมันมีจํากัดความอดทนทางใจนักปฏิบัติของเรามีไม่จํากัดมีสูงสุดแต่ร่างกายของเรามันทนไม่ได้ใครจะเก่งขค่ไหนมันก็ทนไม่ได้มันก็แตกดับไปตามอํานาจของมันเราก็ช่วยมันทีนี้แต่ถ้าสมมติว่าใจเราเย็นแต่ร่างกายของเราถูกเผาให้ร้อน เราทนได้ระดับหนึ่งอีระดับหนึ่งถ้าทนต่อไปก็เริ่มมันเป็นอันตรายมันเกินเราก็ต้องช่วยมันลดลงอันตรายยังไงอันตรายก็คือมีทุกเวทนาสูงทุกเวทนากล้าทุกเวทนาจัดเมื่อทุกเวทนากล้าจัดก็จะทําให้เกิดร่างกายไม่สบายจิตใจก็อาจสบายอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่ามันสุดตรงก็ต้องบําบัดให้ลงมาพอดีสุดตรงทางกายก็ทํามานกายสุดตรงทางจิต ก็ธรมานจิตเว้นการสุดตรงทั้งสองข้างถ้าสุดตรงทางกายก็เลยทุกขเวทนาเผาเราทุกขเวทนาทางกายถ้าทุกสุดตรงทางจิตก็ทุกขเวทนาทางจิตก็เผาเราให้ละเว้นการสุดตรงทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นในโพธิราชกุมารสูตรมีอยู่เงื่อนไขห้าอย่างที่ว่าผู้ที่จะบรรลุธรรมได้ไวโดยกัน ถ้าปฏิบัติทรมเงื่อนไขห้าอย่างนี้หนึ่งมีศรัทธาเพื่อเจดพ้นทุกข์สองมีความเพียรอย่างต่อเนื่อง <c oughs> สามมีเวทนาเบาบางสี่เป็นคนซื่อโดยนิสัยห้าสติสัมภัญญะปกติไม่ผิดเพีย้ยนหรือไม่วิปริผิดเพีย้ยนสติสัมยัก ปกตินี่แหละมันจะเห็นการเกิดดับได้ถ้าคนไหนมีเงื่อนไขห้ายอย่างนี้บางทีปฏิบัติเช้าเห็นเย็นปฏิบัติเย็นเห็นเชา้านี่ท่านว่าไว้ในโพธิราชกุมารสูตรมีอยู่ข้อที่น่าสนใจมีเวทนาเบาบางถ้าเวทนากล้ามากเนี่ยมันจะรู้ทำช้าเพราะมันจะเกิดการจิตของเรามันจะกระสับกระส่ายจิตของเราสงบยาก แต่มันก็มีกรณีพิเศษอันนั้นเรายกเว้นไปสําหรับคนบางคนสามารถที่จะครอบงำเวทนากล้าได้นะแต่ก็บางคนเท่านั้นนะเช่นพระอริยเจา้าท่านเข้านิโรธสมาบัติท่านเข้าฌานสมาบัตนะิสามารถแยกกายแยกจิตไปอยู่คนละข้างได้อย่างนี้ก็มีไม่มากเรายกให้ท่านไปแต่สําหรับคนธรรมดาของเราที่กาลังปฏิบัติธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยมันทําอย่างนั้นไม่ได้ก็ต้องมีวิธีบําบัดโดย ใช้อุปกรณ์และใช้วิธีการต่างๆนะ mm hmm. ดังนั้นวิธีการในการที่จะลดความร้อนในกายในใจลงแต่ว่ามาอยู่อเมรการนั้นคนละเรื่องนะมันเย็นเย็นจนกระทั่งว่าจะต้องออกจากนอกห้องมาได้แม้แต่แสงแดดจะมีจ้าขนาดไหนแสงแดดก็เย็นเทียบเหมือนกัน แต่มาที่นี่คนละเรื่องร้อนก็ปรับถ้าเอามาไม่ปรับร่างกา ย, ยานี้ก็ไปไม่ ไ, มได้ถ้าเกิดการเจ็บป่วยคือการไม่สบายแต่มาก็ไม่เป็นไรอยู่ในโลกเย็นก็ได้อยู่ในโลกร้อนก็ได้ร่างกายก็ปกติอยู่เพราะใช้วิธีช่วยมันนะปรับสมดุลให้มันถ้าหากว่าเราอยู่ในโลกในหลายบรรยากาศถ้าไม่รู้จักปรับสมดุลของร่างกาย เราก็จะทํางานไม่ได้ก็จะมีแต่โรคภัยไข้เจ็บเจ็บป่วยทําอะไรไม่สะดวกแต่นี่ไม่ไปไปได้ทุกเรื่องไม่มีปัญหาก็รู้จักปรับความพอดีไม่ให้มันสุดตรงด้านรางกายและจิตใจพุทธเจ้าบอกไว้ว่ า, วาเป็นนักปฏิบัติให้ละเว้นต่อการสุดตรงทั้งสองด้านสุดตรงทางด้านกายสุดตรงทางด้านจิตแต่ว่าไปสู่ทางที่สามคือทางพอดีมัชชิมาปฏิปทามัชชิมาอันโต อันตัวอันติมะอันติมะที่มันเป็นสุดตรงทั้งสองด้านเวน้นมันเสียปรับให้ kills, Theatre> สมดุลรู้จักปรบสมดุลพอดีแล้วปรับทางสายกลางเพราะนั้นทางสายกลางนั้นเป็นทางสายกลางทั้งลูกทั้งนามนะไม่ใช่สายกลางแต่นามอย่างเดียวลูกก็ต้องให้เป็นทางสายกลางด้วยเอาแต่ทางสายกลางแต่นามแต่ไม่สนใจลูกก็เป็นทางสุดตรงทางลูกไปสนใจแต่รูปแต่ไม่ได้สนใจนามก็สุดโจงทางนามไม่สนใจหลังลูกก็ไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทา อันนี้ง่ายๆทารูปทางนามและทางรูปหนึ่งทางนามหนึ่งและทางนามนามหนึ่งนมันมีสามทางถ้าเข้าสู่ทำใจให้สู่ตัวนามล้วนๆได้ก็เป็นทางพอดีความพอดีของรูปของนามเรียกว่านามล้วนๆสติเป็นนามล้วนๆสมาธิเป็นนามล้วนๆปัญญาเป็นนามล้วนๆนี่เป็นทางสายกลาง ดันั้นเราจึงมาปฏิบัติสมมติเรานั่งถ้าสมมติเรานั่งท่าที่ไม่สมดุลเราจะนั่งได้ไม่นานก็จะมีเวทนาบังคับเราเจ็บปวดเน็บชากินขากินแขนเราค่อยปรับทีละนิชชนิ ด, นดปรับไปให้อยู่ให้เวทนาบางคนก็ไม่ต้องปรับบ่อยเพราะอะไรมี มีธาตุมีเป็นธาตุดินคนธาตุดินไม่ต้องปรับธาตุบ่อยเพราะว่าธาตุเขาอยู่ตัวแต่คนธาตุลมธาตุไฟปรับบ่อยหน่อยธาตุน้ํำก็ปรับไม่บ่อยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นบางคนปรับอิเดียบทบ่อยเราจะไปว่าเขาอินซีออนดูกลิกไม่มีสติไม่ได้นะเขาคนธาตุนั้นเขาต้องปรับแต่มงคนหูนั่งได้นานน่ะไม่ค่อยปรับเลยจะไปว่าคนที่มีสมาธิสูงความบททนดีไม่ใช่ธาตุเขาเขาเป็นอย่างนั้น คนธาตุดินธาตุน้ําคนธาตุลมธาตุไฟก็จะปรับบ่อยหน่อยเป็นธาตุที่เคลื่อนแต่คนทั้งธาตุสี่ดินน้ําลมไฟสมดุลกันคนนั้นก็จะปรับพอดีไม่ไม่ช้าเกินไปก็ไม่บ่อยเกินไปแล้วก็ต้องดูตามธาตุด้วยนี่การศึกษาธรรมะไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติแต่ว่าเราไม่ดูความสมดุลของธาตุสี่ขันห้ายัตนะสิบสองอินทรีย์สองธาตุสิบแปดพวกนี้เราก็ศึกษาเป็นวิปัสนาภูมิไป แต่ว่าเราไม่ต้องรู้ก็ได้แต่พระอาจารย์ทา่านจะพูดให้ฟังเราพยายามทำความเข้าใจก็สะดวกนะอันนี้พูดถึงเรื่องของความปรับสมดุลของความร้อนในเวลาปฏิบัติจะทำอย่างไรให้เวทนาเบาบางก็ขอให้ทำแต่สำหรับคนที่มีความอดทนสูงอดทนได้มาก ก็จะดีในเมื่อลท่านมีความด้านฐานสูงในช่วงที่วัยและอายุยังหนุ่มแต่เมื่ออายุมากไปแล้วจะเป็นโทษคนที่นั่งนานๆอดทนนานๆพออายุมากไปก็เป็นอมพลึกอมาพาดเส้นตายก็มีปัญหาอุปสรรคอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าคุณไหนปรับสมดุลทั้งร่างกายดีใจได้ตลอดถึงแม้อายุแก่อายุมากเท่าไหร่ ก็ยังคล่องตัวอยู่เหมือนเดิมเพราะาธาตุขันรู้จักบริหาราธาตุขันให้พอดีไม่เอาเวทนามาฆ่าตัวเองก็จะเมื่ อ, อาย o มากไปก็จะไม่ได้รับวิบากตัวนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเน้ น, นแต่เราสร้างเอาเองแต่อาจจะเป็นวิบากขันทางกายเท่านั้นวิบากจิตอาจจะไม่ได้รับแต่มันก็ทําให้ได้เสียเวลาในการสร้างประโยชน์อยูด่ดีเราปฏิบัติอย่างเข้มข้นบรรลุทำเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามานอน ส่งวิบากทรมานกายสิปียี่สิบปีให้คุณอื่นลาบากอันนี้ก็ไม่คุ้มกันนะเราก็ต้องปรับมันพอดีอันนี้คือส่วนที่หนึ่งคือการฟังใจรู้จักปรับกายปรับใจให้สมดุลพอดีนะในส่วนที่สองที่อยากจะนำมาเสนอเมื่อเดยกี้เราก็พูดถึงเรื่องการฟังใจ ในการปรับเวทนาอันส่วนที่สามนี่การมาดูใจอส่วนที่สองนะ่มาดูใจดูอย่างไรหลายคนที่มีความสับสนพอสมควรโอ้ท่านสอนให้ดูใจเรามมวมานั่งดูกายมายกมือเนี่ยมันจะรู้ทาหรื อ, อแต่เขาสอนดูใจกันแล้วน ะ, ะใจมันคิดอะไรใจมันปรุงแต่งอะไร นี่นี่นี่เห็นั้มเห็นไหมเมั่เริ่มปรุงแต่งแล้วเนี่ยเขากวแหวกเปอย่างนั้นคุณดูทันหรือเปล่าเนี่ยเห็นไมไหมนั่นน่นแตคนนั้นเริ่มคิดอีกแล้วเน่ยเห็นไหมไอ้ท่านรู้ดีนะท่านดูใจอืมแต่หลวงพ่อเทียนบอกว่างไงดูกายเห็นจิตเนี่ยดูคิดเห็นทำดูกรรมเห็นวิญญาณ ดูนิพภะดูปรมัตเห็นนิพพานนะฮะดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมดูกรรมเห็นปรมัตดูอริยสัจเห็นนิพพานอย่างงั้นดีกว่านะดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมเอจะดูยังไงอันนี้ว่าตามสูตรของพ่อเทียนนะเราจะดูจิตอดูกายเห็นจิตเน่ยเราจะดูที่จิตเราอยากจะเห็นจิตแล้วก็ดูที่กาย ดูกายมันเห็นจิตนะมานนั่นตัวกายเป็นเหตุเห็นเป็นผลเพราะนั้นเราจะไปเห็นที่ผลเลยไม่ได้ก็ต้องมาเห็นที่เหตุมาดูที่เหตุมันจึงเห็นผลคือเห็นจิตปรากฏเป็นผลเห็นดูกายเห็นจิตที่เราจะเห็นจิตแขนเนี่ยถ้าไม่มีจิตมันเคลื่อนได้ไหมเนี่ยจะยกได้ไหมไม่ได้คนตายมานั่งยกหรือดิไม่ได้ เพราะนั้นดูแขนมันยกมันก็เห็นใจแหละเพราะอะไรใจมันเคลื่อนอยู่ที่แขนเนี่ยเอาทำไมไม่ดูใจที่ใจอ่ะแล้วถามว่าใจที่ใจมันอยู่ตรงไหนล่ะเรามีแต่พูดโอ้เห็นใจคุณแล้วถามว่ามันเป็นยังไงใจที่คุณเห็นไอ้คุณพูดก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะไอ้ใจที่เห็นเป็นยังไงก็เห็นใจคุณแล้วเกินแต่ฉันไม่เคยเห็นใจฉันเลยนะเพราะนั้นเป็นคาพูด เห็นใจทีนี้เราจะเห็นใจเราเนะี่ยมันก็ดูไหนะดูกายเห็นจิตใช่ไหมไม่ใช่ไปดูใจเห็นใจดูกายเห็นใจดูกายเห็นจิตเห็นในทุกส่วนที่มันเคลื่อนไหวอะ่ะนั่นแสดงว่าจิตเคลื่อนไหวเพราะนั้นดูกายก็เห็นจิตดูจิตก็เห็นกาย อันนี้คือหลักนะ่ะแต่หลายคนเป็นคนใหม่ก็สับสนเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลยังไม่พบวิธีการเพราะเดี๋ยวนี้เขาเลิกดูกายก็แล้วมาดูที่ใจอ่าคนตายมาดูกายเป็นดูใจเป็นไหมดูกายเป็นไม่เป็นเพราะมันไม่มีใจเพราะใจนี่มันเป็นเพราะกายนี่นเป็นหุ่นเท่านั้นนะน่ฮะฉะนั้นแค่มาดูที่กายมันก็เห็นจิตแล้วถ้าจะจะรูจิตก็มาดูที่กายเพราะดูกายเห็นจิต ทีนี้เราจะเห็นได้ตลอดไหมเนี่ยบางครั้งเราเอื้อมมือไปจับอะไรโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยเราทันได้เห็นไหมอันนี้คือสำคัญถ้าเราตั้งใจดูไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่บางครัง้งนั่งปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันปวดขามันพริกเลยทันเห็นมันไหมตรงนี้สำคัญ ไอการที่เราจะพลิกได้เนี่ยนะสมมุติว่าเอาละเรานั่งอย่างนี้ใช่ไหมไอก่อนที่เราจะพลิกเนี่ยเราเห็นมันไหมอะไรบอกเราพลิกต้องดูตรงนั้นก่อนอันนี้คือวิธีดูนะแต่พลิกแล้วไปดูทีหลังทันไหมไม่ทันแล้วคอนจบไปแล้วแต่ก่อนที่มันจะพลิกแกทําไมเราต้องพลิกแกอ่านี่เห็นไหมวิธีดูเขาบอกว่ามันปวดอะไรปวด ขาปวดหรือใจปวดกาย ป, ปวดหรือใจปวดก็ดูมันไปอีกพรามันร้อนผ่าเลยนะดูไป็นนาะนร้อนพอตัวดูคือตัวสติสมัมมาญาเข้าไปดูพอขยับนิดนึงเอาที่ร้อนๆเมื่อกี้มันหายปวดๆมันหายไปเอามันหายไปไหนเอขยับมากอีนิดขึ้นเออมันหายไปหน่อยเอาขยับไปมากเอมกเอมันหายเกือบหมดอ๋อพี่ไปเต็มที่หาหมดเลยเออมันหายไปไหนไงเมื่อกี้มันยังมีอยู่นะปวดๆอ่ะ หายอะไรหายไปเวทนาหายไปเวทนาเป็นอะไรเป็นเราหรือเป็นเป็นเขาเรื่อเห็นแล้วใช่ไหมเวทนาที่มันหายไปเมื่อกี้มันเป็นอะไรเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนไปแล้วทุกขังเวทนาที่มันรับแสบระร้อนเมื่อกี้มันทนอยู่ไม่ได้มันหายไปแล้วเป็นอนัตตามันไม่มีตัวนี่ พี่มนนันเป็นเป็นอยู่เห็นเหนอยู่อะเอาเดี๋ยนี้มันไม่มีตัวหายไปแล้วเห็นอะไรนี่คือดูกายเห็นเห็นจิตเห็นอนิจจังทุกขังหน้าตามันบังคับเราเราก็อจะไปเตะต้านกมันเพราะร่างกายเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาโดยกําเนิดถ้าเราไม่มีอนิจจังทุกขังโดยกำเนิดเราไม่ได้เกิดมานี่เราเกิดมาด้วยอํานาจของอนิจจังทุกขังหน้าตาเพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังหน้าตาทางกายต้องบําบัด นะต้องบำบัดแต่อันนี้จังทุกขังอนัตตาของจิตต้องกําหนดรู้ต้องกําหนดรู้ทุกต้องกําหนดรู้ไงอนนี้จังกําหนดรู้อนัตตากาหนดกําหนดรู้ทุกต้องกําหนดรู้สมูทยัยคืออะไรเป็นสมูทยัยการปวดขาเป็นสมูทัยทางกาย แต่แต่ถ้าหากว่าเราไม่กําหนดรู้สมูทัยทางเกิดทางนามทั้งจิตเกิดอีกอันนี้แหละเป็นเหตุของทุกข์แหละแต่สมูทัยทางรูปนั้นไม่ไม่ถือว่าเป็นสมูทัยที่เป็นอริยสัจแต่เป็นสมูทัยที่เราต้องบําบัดคือหมายความว่าเป็นเหตุที่ต้องบําบัดสมูทัยต้องละงไงต้องละคือพลิกขาที่มันปวดเนี่ยละมันซะนก็มาเป็นขาที่สบายอ่า ทุกที่กาหนดรู้เรารู้ได้แล้วเราละได้แล้วทุกคือปวดขาเมาื่อกี้ต้องกําหนดรู้สมูทัยเราต้องกําหนดละกําหนดแล้วก็ ค, ค่อยๆรู้อันนี้จังทุกขาอันตราก็พอพิจ ข, ขาความทุกข์หายไปมารู้อ๋อทุกเมกื่อกี้ปวดขาเมื่อกี้มันหายไปแล้วนี่โลดเป็นสิ่งที่ควรทําให้แจ้งรู้อาการขาที่มันสบายตรงนั้นให้ชัดๆัดเป็นนี่โลดแล้ว ให้ชัดๆไปในโลดแล้วก็รู้วิธีดูรู้วิธีเห็นว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรมันตั้งอยู่ทางไงดับไปอย่างไรมันเป็นมรู้จักวิธีดูรู้จักวิธีเปลี่ยนแต่ส่วนใหญ่เกาสิบเปอร์เซนมันสบายมันก็พลิกเลยทันได้เห็นใจไหม <c oughs> ไม่ได้ดูกายไม่เห็นใจไม่ได้เห็นในนิจัยทุกขังอนัตตาเลยเห็นไหมแล้วว่ามือมันจับไปทันได้เห็นมันไหม ไม่ทันไปละนี่ไงเพราะฉะนั้นเจะเห็นจะบอกว่าดูกายมันเรื่องง่ายเี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะอันนั้นคิดเอาว่ามันง่ายถ้าดูจริงๆให้ดูกายเห็นจริงๆมันไม่ใช่ง่ายเลยต้องต้องมือต้องไม่ไปโดยที่ไม่รู้นะถ้ามือไปโดยที่ไม่รู้เนี่ยเป็นสมูทยัยละเพราะอะไรเพราะไม่ได้กําหนดเราไม่รู้แขนไปไปทําไมไปเพื่ออะไรเนี่ย เพราะมันคันไปเพื่อเกา่าอ้าเหตุเอาเราไม่รู้ไม่คิดไม่รู้กามันคันเสก่อนก่อนที่แขนจะมือจะไปถึงตรงนั้นน่ะอ้าวขาดช่วงนั้นไปอีกแล้วแม้เราหลายขั้นตอนเลยที่เราเฉยเนี่ยดูกายเห็นจิตอันที่หนึ่งนะอันนี้พูดกำลังพูดถึงชุดที่สองนะชุดแรกเมื่อกี้เราดูดูอะไรเรียกฟังใจอันนี้มาดูใจ ดูกายเห็นจิตทีนี้ในเรื่องดูใจอันที่สองดูคิดเห็นทาดูคิดเห็นทาเมื่อกี้ที่เราคิดว่าเราจะเปลี่ยนขาเนี่ยยังอยู่ในตัวอย่างเดิมนะเพื่อไม่ให้หลงประเด็นที่เราจะเปลี่ยนขาเนี่ยเราคิดก่อนไหมคิดที่จะเปลี่ยนเนี่ยคิดใช่ไหมคิดคิดตัวนั้นไม่ใช่คิดปรุงแต่งคิดตามความเป็นจริงเขาเรียกว่าสติ ความเปจริงในกณะนั้นคืออะไรคือการปวดขาใช่ไหมแล้วจิตเข้าไปกําหนดรู้ดูคิดละจิตแต่จิตที่คิดในสิ่งที่สอดกักบความพจริงที่ปรากฏเราไม่เรียกว่าสังขารเราเรียกว่าอะไรเรียกว่าปัญญาถ้าจิตไปคิดในสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงเป็นตัวปรากฏเราไปคิดเข้าเราเรียกว่าสังขารเป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์ แต่ถ้าเราไปคิดในสิ่งที่ความจริงปรากฏขณะนั้นเราเรียกว่าปัญญาเป็นเหตุให้ดับทุกคนละเรื่องเลยคิดแล้วดับทุกคิดแล้วเกิดทุกคิดปรุงแต่งขึ้นมาโดยความจริงขณะนั้นไม่ปรากฏแต่เราไปคิดถึงมันขณะ น, นี้นั่งอยู่ตรงนี้เออวันนี้จะได้กลับบ้านแล้วเมื่อไหร่นะจะหมดเวลาจะได้ทานข้าวจะรีบไปฉีดล้อนเหลือเกินคิดถึงพัดลงคิดถึงไอแอน์คอนดิชันอยู่ที่บ้าน อันนี้เป็นอะไรเป็นสังขารเพราะเวลาที่จะไปไหยมันยังไม่มาถึงแต่คิดไปก่อนนี่เป็นสังขารเป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์ละจิตก็ไปรออยู่ที่บ้านสิเกิดการเครียดใช่ไมอยู่ฟังธรรมที่นี่ไม่สนุกแล้วได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างในสิ่งที่สื่อความหมายก็รับได้บ้างมาได้บ้างออสติมาไวออมันคิดไปแล้วนี่กลับมามาดูทุกต่อ เมื่อตอนนี้มันไม่ปวดขานะอากาศอ้าวมาที่นี่ามาบอกเอ อ, อบอุ่นดีเลือ่ินเมื่อาวานเข้าดดวุติอากาศอุ่นๆนะก็แล้วอบอุ่น น, น, นี่แต่ท่านามอางว่าเป็นอบอ้าวไปไงเป็นสมูทัยให้เกิดทุกข์แล้วว่ า, ากาศที่นี่อบอ้าวเลื่ินเพราการนี้ถึงอบอุ่นนลยก็ อ, อุ่นก็พออยู่ได้ถ้าอบอ้าวนี่อยู่ยากแหละนี่เห็นไหมดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นทำมาดูว่าดูคิดเห็นทำอย่างไร ขณะที่เราคิดว่าเออเดี๋ยวสักเก้ามงเนี้ยจะออกดูคิดเอามันคิดไปแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเอ๊ะเม่คิดมันคิดไปเนี่ยทําปรากฏแล้วอะไรปรากฏสติปรากฏแล้วเห็นไหมนะดูคิดเห็นทำสติปรากฏแล้วเพราะฉะนั้นสติเบื้องต้นที่รู้ว่ากําลังคิดแล้วจิตกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวปัจจุบันเราเรียกว่าสติ แล้วรู้ด้วยว่าขณะนี้จิตกลับมาล้มาอยู่ตัวความคิดเม่อกี้หายไปแล้วรู้ด้วยตัวนั้นเป็นตัวปัญญานะแล้วก็พยายามเสร็จประคองสติให้รู้ไม่ให้เผลอไปคิดเรื่องเมื่อกี้ตัวนั้นเป็นสัมปชัญญะและเป็นสมาธิเห็นไหม มันมันทำงานของมันเสร็จถ้าเกิดสติแล้วสมชัชาะสมาธิปัญญามันมาเองแต่ขาดสติตัวเดียวสมาชาะสมาธิก็ไม่มานี่คือเรียกว่าดูคิดเห็นทำหมายก็ว่าทันความคิดที่มันไปเมื่อกี้เนะี่ยวันนี้เก้าโมงสิบโมงทานข้าวเราจะได้รีไปละถ้าหากว่าสติมันไม่มาเมื่อคิดซ้ําไปซ้ำ ม, มาใช่ไหมคิดซ้าไปซ้ำ ม, มาเป็นไงร้อนเหมือนโยมเอา เอามือมาถูที่ขาถูไปถูมากดยิ่งกดยิ่งถูยิ่งถู ย, งถยิ่งกดมันจะรู้สึกอะไรรู้สึกร้อนใช่ไหมแต่ความคิดตัวที่เราคิดบ่อยๆมาเสียดสีใจแล้วบ่อยๆเกิ ด, ดอะไรขึ้นร้อนนั่นคือสังขารความทุกข์เกิดแล้วเพราะความคิดมากระทบไม่ใช่กระทบธรรมดาเสียสี ด, สด้วยเพราะคิดบ่อยๆไอตัวความคิดบ่อยๆนั่นเองเรียกว่าเราไม่รู้เท่าทันการที่ไม่รู้เท่าทันมันคิดแล้วคิดอีกเรียกว่าอะไร ไม่รู้เท่าทันคืออวิชชาก็ให้เกิดความคิดมันคิดแล้วคิดอีกไม่ทันมันก็ให้เกิดสังขารไปละ ว, วงจรของปฏิสุบติเกิดทันทีเลยแค่แค่ลืมสตินั่นแหละวงจรปฏิสุัติสิบสองวงเกิดทันทีเลยแต่พอรู้สติวงจรของสมุทรัชยวานคืออุบัติไอสมุทรไทยฝ่ายเกิดทุกข์ ดับไปทันทีเป็นนิโรธทวารดับทันทีแค่มีสติเท่า น, นั้นแหละเพราะนั้นการเฉลิสสติอย่างเดียวเนี่ยมันเลยเป็นธรรมะทั้งหมดเลยโดยที่ไม่ต้องไปรู้อะไรที่เมื่อก่อนมาก็ไม่เห็นด้วยนะอะไรธรรมะทั้งแปดหมื่นสี่พันหัวคำพูดอยู่ได้แต่เรื่องสติเรื่องเดียวทําไมไม่พูดถึงเรื่องอื่นมัง่งอันนั้นก็มีอานนี้ก็มีเรื่องศีลก็เยอะแยะเรื่องสมาธิก็เยอะแยะเรื่องปัญญาก็เยอะแยะทำไมไม่นำมาพูดกันบ้า ง, างพูดแต่เรื่องสติบางคนก็ไม่เอาเลย อันนี้คือปัญหาสำคัญที่บางคนไม่เข้าใจแต่ว่าสตินั้นต้องเป็นสัมมาสติมันถึงจะเข้าไปรู้ในเรื่องของขบวนการการดับทุกข์ทั้งหมดเพราะสติที่เป็นมิจฉาสติก็ใช่มันไม่รู้จริงๆต้องเป็นสัมมาสติที่เราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นสัมมาสติอันนี้เป็นมิจฉาสติ ถ้าเป็นสัมมาสตินั้นมันจะระลึกรู้ตรงกับเหตุที่เกิดแต่ถ้าเป็นมิจฉาสติเช่นเรานั่งอยู่ที่นี่เราคิดว่าเออหลังจากนี้จะไปทําอะไรไปเข้าห้องน้ําไปอาบน้ําไปทานข้าวคิดลําดับไปถามว่ามีสติไหมมีรู้ว่าจะทําอะไรต่อไปนะเราทำที่แล้วที่แล้วมาก่อนที่มานั่งตรงนี้เมืม่อเมื่อคืนนี้ฝันอ่า ฝันเรื่องนะั้นเรื่องนี้ก็ตื่นมาแล้วก็ลำดับไปก็ เ, เป็นสติเหมือนกันแต่มันไม่ใช่สัมมาสตินะมันก็เป็นสติแต่สัมมาสตินี่รู้ว่าขณะนี้นั่งโน่นนั่ ง, งมันตึงชั่วโมงกว่ารู้สึกอปวดปวดแล้วไม่พอร้อนด้วยนะอยากจะไปอาบน้ํามันลึกๆึตรงเหตุอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าสัมมาสติเกิดแล้วทีนี้มันยังไม่ถึงเวลาที่จะไปอ่ะมันร้อนบำบัดอย่างไรปวดขาก็บำบัดไปเรื่อยเรื่รู้จักวิธีปััยปัญญาเกิดแล้วนี่ เห็นไหมนี่เป็นสมาสติสมาปัญญาแล้ลึกรู้ตรงเหตุที่มันกําลังเกิดถือว่ามันเป็นธรรมดามากๆนะไอ้ปวดแข้งปวดขาดูร้อนเนี่ยก็มีทุกวันทุกนาทีแหละอย่าไปเลยลึกลูอะไรมานักหนาบางคนนะจิตมันก็ไม่รับอ่ะเขารู้ว่ามันร้อนเอยไปรู้มันทําไมก็มันแค่มันร้อนก็คือมันร้อนแต่เราไม่ได้แยบคายลงไปว่าอะไรมันร้อนฮ กายมันร้อนหรือใจมันร้อนรูปมันร้อนหรือนามันร้อนกูร้อนหรือว่ากายร้อนส่วนใหญ่มันกูร้อนนี่แหละเป็นเหตุนะแต่ถ้าดูกายร้อนเฉยๆไม่เป็นเหตุเราไม่ได้รายละเอียดตรงนั้นอ่ะเราดูเรู้ร้อนที่จริงแต่ว่าเราไม่เคยดูว่ามันเป็นไอความร้อนตรงนั้นเป็นอะไรเป็นอนุจังทุกขังหน้าตาหรือเปล่าอเป็นอ่าวิชาดัญหาอวบทานเข้าไปร้อนหรือเปล่าอะไรร้อนกันแน่รู้ไปดูมาดูไป มันก็จะเรื่องตัวนี้คือโยนิสโสมนัสิการที่เราสวดมาเมื่อกีน้นะะสิ่งที่มานําเสนอนี้เรียกว่ากริยานามิตตาเพื่อนนั่งรอบข้างปฏิบัติเป็นเพื่อนกันทั้งภาทั้งโยมเป็นกริยานาสหายตาโอที่มีอากาศสงบฟังธรรมฟังใจได้สะดวกแล้วก็บรรยากาศก็ช่วยให้ดูง่ายไม่มีอะไรมารบกวนให้ตึงตัง ให้วุ่นวายเป็นกิริยาะนะสำประวังกาตาทั้งสามอย่างนี้ครบนะเรามีผูพ้พูดให้ฟังที่เข้าใจได้มีเพื่อนปฏิบัติเป็นในทางเดียวกันได้แล้วก็มีสิ่งแวดล้อมเ อ, อื้อเราได้เงื่อนไขอันที่หนึ่งละนะเพื่อให้เกิดเงือ่อนไขที่สองคืออะไรคือดู ได้ลึได้ละเอียดได้ชัดได้เป็นความจริงเรียกว่าโยนิโสมานสิการอันนี้คือเขาเรียกเป็นบุพนิมิตของมรรคผลนิพพานนี่หมายความว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องได้สองอย่างนี้คือได้กรลยาณมิตกับได้โยนิโสมานสิการแล้วพระพุทธเจ้าจะแรกพระ น, นุ์ก็ท้วงบอกว่าเออทั้งหมดนี่นะเป็นครึ่งหนึ่งของภรมิจักรนะ พะุธเจ้า บ, บอกไม่ใช่อนุนมันเป็นทั้งหมดสักกามีทางทีเดียวมันเป็นทั้งหมดของพรมจรรย์คือเป็นทั้งหมดของเรื่องการดับทุกข์ทีละส่วนมเมื่อกี้ปรมาคระยณมิตรสูตรนะนี่เนี่ยดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมเห็นแล้อยังอันที่สองดูกรรมเห็นปรมาตนะดูคิดเห็นธรรมดูกรรมเห็นปรมาตดูกรรมดูตรงไห น, น ในขณะนี้กายกรรมเป็นยังไงสบายหรือไม่สบายนั่งนู่นไม่สบายอาจจะเปลี่ยนมันก็ จ, จะเปลี่ยนดู ก, กายกรรมใช่ไหมเปลี่ยนแล้วเนะี่ยกายกรรมดู ก, กรรมเห็นปรมัดปรมัตดเกิดตรงไหนอ่ะประมัตดเห็นอาการที่เปลี่ยนเห็นเวทนาที่มัน เข้มอยู่ไม่ขี้แล้วมันหายไปแล้วก็รู้ว่ามันหายไปความสบายเกิดขึ้นนิดหนึ่งแล้วความไม่สบายก็เริ่มเกิดขึ้นอีกทีละนิดทีละนิดทีลนิ ด, นดเห็นความต่อเนื่องของของความรู้สึกตัวเป็นปรามาตัตุลู่กายลู่ใจไปพร้อมๆกันเนี่ยมันเป็นปรามาตัตุลู่กรรมเห็นปรามาตัตุลู่กายกรรมเมื่อกี้มันปวดใช่ไหมไอ้จะดื่มน้ำซะหน่อยเอื้อมมือไปจับขวดเออ มันละจากการดูตรงนั้นก็มาจับยามีสติรู้ตลอดขบวนการทของการเคลื่อนไหวของกายกรรมดูกรรมเห็นปรมัตวจีกรรมอใจมันพูดหรือเปล่ามนโนุกรรมใจมันคิดหรือเปล่าดูตรงนั้นอีกทีใจไม่คิดแต่มันรู้ตามความเป็นจริงก็เห็นการไปรู้นี่ดูกรรมเห็นปรมัตคือเห็นอย่างนี้เห็นความรู้สึกต่อเนื่องเป็นขบวนการ ไม่มีความคิดปรุงแต่งทางจิตแทรกแต่ร่างกายมันมันมันปรุงแต่งโดยธรรมชาติตั้งแต่เกิดจนถึงว่าไหนร่างกายก็ยังปรุงแต่งอยู่นั่นแหละเพราะนั้นการปรุงแต่งของกายมีแต่บำบัดเท่านั้นนะบำบัดแต่ว่าในการปรุงแต่งของจิตนั้นต้องกำจัดนะไม่ใช่บำบัดต้องกำจัดทีเดียวเพราะนั้นเป็นเหตุของเป็นสมุขารที่ตัวจริงนะดูกรรมเห็นประมาจิดูอย่างนี้ ดูอิสสัตถินิพานอ่าดูอิสสัตถินิพานในขณะที่เรานั่งเนี่ยขณะปฏิบัติทุกเกิดเห็นนะง่วงเห็นไหมนั่งง่วงเห็นง่วงไหมอ่าจะรู้ดิเฮ้ยปวดง่วงเลยนะสยายตาเส้นหน่อยอ่าเปลี่ยนนิยบทนั่งท่านี่มันง่วงต้องนั่งท่าใหม่นั่งผับเพียบนั่งคูเขานั่งเหยีดขา หายใจลึกๆนี่ทุกต้องกำหนดรู้อะ่ะแล้วก็บัดมันออกไปอย่าให้มันง่วงอยู่เงั้นทุกกำหนดรู้สมุทยัยถ้าเราไม่กำหนดรู้มันก็จะเกิดสมุทัยทางจิตถ้ากำหนดรู้สมุทัยก็ถูกล่า ท, าทันทีเป็นนิโรธความง่วงหายไปนิโรธทางกายเกิดขึ้นแล้วน่ะความสรืดสือทางจิตก็หายไปนิโรธเกิดขึ้นแล้ว แล้วก็มักต้องเจริญคือหมายความว่าวิธีการที่เราทำเนี่ยทำให้มันบ่อยๆรู้บ่อยๆกาหนดรู้บ่อยๆกาหนดละบ่อยๆแล้วก็เห็นมันบ่อยๆไอการเห็นบ่อยๆละบ่อยๆรู้บ่อยๆทังนี้เ็าเรียกมักทำให้มันมัากๆมักต้องเจริญ แล้วในขณะที่ปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องไปนึกไปคิดถึงนะอันนี้ใช่ทุกหรือเปล่าอันนี้สมุทัยหรือเปล่าอันนี้นิโรธหรือเปล่าไม่ต้องไปคิดแค่ว่ากลลําหนดรู้ชัดชัดเจนรู้ว่าทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหายไปทุกใหม่เกิดขึ้นมาแล้วก็แก้ไขบําบัดดูไปดูกายดูใจไปอย่างเงี้ยมันเป็นเห็นอริยสัจละพอจิตแล้วก็สบายปกติเย็นเป็นนิพพานหรือยังเป็นละเห็นนิพพานวันหนึ่งก็ต้องนิพพานตั้งหลายหลายครั้งนะใช่ไหม ที่ผ่า น, น้อยไม่ได้มันไม่พอนะเหมือนไฟที่เขาปั่นอ่ะใช่ไหมที่มันจะสว่างอย่างได้ต้องอะไรสั่งสองร้อยสังสองพันสามพันครั้งตัหนึ่งวิอะมันถึงจะสว่างอย่างนี้ได้การปั่นของไดานาโมอ่ะสามพันครั้งตวัววิไฟถึงจะสว่างจะให้วสว่างมากกว่าด้วยสี่พันครั้งตัววิห้าพันครั้งตวัววิเรื่อยเหมือนกัน การที่จะมารู้กายเห็นกายอย่างอย่างสว่างสวัยรู้จิตเห็นจิตอย่างสว่างสวัยก็ต้องเข้าไปรู้ตัวดับบ่อยๆเห็นนิพพานบ่อยๆหลายๆครั้งต่อนาทีหลายๆครั้งต่อวิ น, นาทีแสงสว่างมันก็เกิดขึ้นมอนก็การหมุนของไดานาโมโ ม, มันมีการหมุนสูงเท่าไหร่แสงสว่างดวงไฟก็เกิดขึ้น การกำหนดรูด้เข้าไปที่กายที่ใจเห็นชัดมากเท่าไหร่แสงสว่างก็เกิดขึ้นเนี่ยดูอริยสัจเห็นนิพพานสับสนไหมเรียนเปรยียบแบบนี้สับสนไหมไม่สับสนนะใช่ไหมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากสลับซับซ้อนอะไรนะแต่ประการสำคัญทั้งหมดทั้งปวงนี้มันจะชัดหรือไม่ชัดอยู่ที่ว่าการฝึกสติของเราเนี่ยการดูกายของเราเนี่ยดูเป็นหรือยัง เอาเบื้งตัวนี้ก่อนดูกายเห็นจิตเนี่ยตรงเนี้ยดูอย่างไรดูกายเห็นจิตคือดูอิเดียบทใหญ่อิเดียบทน้อยการเคลื่อนการไหวดูดูอย่างเข้าใจนะไม่ใช่อยู่อย่างจําใจนะถ้าอยู่อย่างจําใจแล้วมันจะเครียดกท่านบอกให้ดูฉันก็จะดูตั้งใจที่จะดูใจมันก็จะคิดดึงกันไปดึงกันมาเอาไปเครียดปวดหัวเลยทีนี้เพราะจิตมันอยากคิดอะ่ะแต่อาจารย์บอกว่าต้องดูอะ่ะแต่ฉันยังไม่อยากจะดู ดูแล้วไม่รู้อะไรดูแช่ทุกกับทุกข์เท่านั้นร้อนก็ร้อนปวดก็ปวดหิวก็หิวเหงื่อแตกซักๆักซัฉจะดูได้อย่างไรดูที่ไรมันเป็นกูทุกทีมันไม่ติดกายมันก็เครียดนะมันไม่เกิดการขัดเก่าระม่เคิดการขัดแย้งแล้วเพราะระหว่างความจริงที่ปรากฏก็ระว่ังสติที่ดูมันไม่สมดุลกันแม้ก็สติน้อยแต่ว่าไอความเวทนาทางกายมันสูงนะเหมือนไฟก้อนใหญ่ๆตกใส่น้ํา อ่างเล็กๆน้ำก็เดือดร้อนมันเดือดแล้วมันก็ร้อนแต่ถ้าหากว่าสติแลาว่างมากก็เหมือนน้ำในอ่างแต่ไฟก้อนเล็กๆตกลงไปจอมไฟก็ดับน้ำก็ไม่ร้อนทำสติให้ใหญ่ๆเหมือนน้ำแลว้วเวทนารู้จักบำบัดบรรเทาขวามราให้ม่ เ, มเล็กๆน้อยๆหน่อยเวทนาทั้งกายทั้งใจมันก็เหมือนฐานก้อนบบิ่มลงไป น้ำก็ไม่พอที่ไฟก็ดับจริงแต่น้ำมันร้อนน่ะน้ามันกลายไฟมันกลายเป็นน้ำไปแล้วลนะ่ะไฟดับจริงแต่ไฟกลายเป็นน้ำคือทำให้ถ่ายความร้อนจากไฟไปเป็นน้ำน้ำมันร้อนน้ำก็เท่ากับไฟถ้าสติเราน้อยแต่เวทนาทางกายทางจิตเรามากเข้าไปเวทนาก็กลายเป็นไฟทำให้ใจเราร้อนไปด้วยเหมือนน้ำมันร้อน ดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นทมดูกรรมเห็นประมาตดูอริยสัจเห็นนิพพานถ้าดูอย่างนี้แค่นี้แหละครบแปดหมืนสี่พันวัฒนคันเลยคำสอนของพ่อเทียนง่ายไหมไม่ง่ายเลยก็ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ายัางทำน้อยไปไม่ใช่สร้างย่าน้อยไปหรือโดยจุกบน้อยไปนะแต่ดู อาการที่เกิดขึ้นปัจจุบันน้อยไปดูไปดูมาอ่าสักพักมันแอบไปคิดเองแล้วคิดใดคิดดีเนี่ยคิดอะไรกันนั่งหนาโอ้เคไปห้ามมันได้ไงเราคิดไหมเราคือพบกี่ชาติแล้วเนี่ยจู่ๆไม่ให้มันคิดเป็นไปไม่ได้มันต้องคิดแต่เปลี่ยนความคิดให้เป็นอะไรให้เป็นความรู้เราไม่ได้ห้ามให้คิดหรอกวิธีนี้ไม่ได้ห้ามเลยนะใครบอกว่าวิธีการหลวพ่อเทียนอย่าคิดน่ะเนี่ยไม่ถูก ให้คิดหลวพเทียนที่บอกยิ่งคิดยิ่งรู้แต่รู้จักเปลี่ยนความคิดให้เป็นความรู้รู้แบบไหนล่ะถ้ารู้ออกไปข้างนอกเขาเรียกความคิดแต่รู้กลับเข้ามาข้างในเราเรียกความรู้สิบตัวการเปลี่ยนความคิดให้เป็นความรู้คือเปลี่ยนความคิดที่มันออกไปข้างนอกเนี่ยเข้ามาอยู่กายซะเหมือนน้ําตกเหมือนไฟตกใส่น้ํา แต่ถ้าหากว่าคิดออกไปนอกกายเหมือนไฟตกใส่กองขยะแห้งๆเป็นไงเดี๋ยวก็ได้เรื่องอนะแต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนความคิดให้เป็นความรู้เหมือนไฟตกใส่น้ำมันดับแต่น้าเยอะๆหน่อยนะถ้าน้ำพอๆกับไฟก็น้ำได้ร้อนเหมือนกันนั่นแหละนั่น <c oughs> จะเห็นว่าไม่ยากเลย ดังนั้นอามาก็เลยทําอย่างเนี้ยมาตลอดแล้วก็ไปที่ไหนก็ทําเงี้ยอย่างไปมีการก็ไม่ใช่ไปเที่ยวไปเล่นอย่างเขานะก็จัดค้อศอกเดือนใะจัดข้อตลอดมีอยู่ข้อหนึ่งอามาประทับใจมากอยู่ที่จอร์เจียคือน่าเป็นชุมชนของคนลาวก่อนที่จะจบเราเสริมเรื่องนี้หน่อยในเวลาสิบห้านาที ที่เจอรเจียพอดีชุมชนคนลาวเนี่ยเขาเคยมาปฏิบัติกตมาอยู่ที่เวกัสก็มันไกลเนาะคะ่ะนั่งเครื่องทั้งสองสามชั่วโมงก็เลยเขาเอานิมนุนพระไปที่นี่ดีกว่าที่นี่คนทั้งสามสิบสี่สิบคนเอานิมนุนพระไปที่มาหาพระที่นี่ ม, มาได้คนสองคนค่าเครื่องมัินแพร ก, ก็นิมนุนไปเขานิมนุนไปแล้วก็ก็ปรากฏโอ้โหคนก็คนลาวนี่นเขาดีนะเขาตั้งใจอากาศเขาหนาวหนาว ฮีตถึนสองสมตัวมันก็ยังไม่อุ่นเลยหนาวมากแต่เขาก็ตั้งใจกันนะมันมีเตาไฟอยู่ในอาคารผู้เท่าทั้งหลายก็ไปนั่งอยู่นหน้ากองไฟคนหนุ่มทั้งหลายทนทานก็อยู่ห่างออกมาก็มีอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากฤทธิ์หรือว่าปฏิบัติตรงนั้นเสร็จแล้วนโยมเขาพาไป ดูวัดฮินดูเป็นวัดฮินดูที่สวยงามที่สุดในโลกของรัฐนั้นของรัฐจอร์เจียสร้างกันหลายหลายพันล้านทุกอย่างแกะเป็นหินอ่อนหมดที่มาดูแล้วมันก็ทื่อๆไม่มีอะไรมาก็หลบลงไปข้างล่างเป็นล้านขายหนังสือไปหยิบหนังสือมาเล่มหนึ่งอ่านน่ะ ไปซื้อติดมือมาด้วยมันมีเรื่องอยู่ร้อยกว่าเรื่องเป็นภาษาอังกฤษนะมีอยู่เรื่องหนึ่งเอามาอ่านประทับใจมากอ่านในรถนั่นแหละเขาบอกว่าอย่างนี้เรื่องบอกว่าครอบครัวเศรษฐีครอบครบวัวหนึ่งมีทรัพย์สมบัติเยอะที่ตัวเองก็ทำมาหาเินอย่างอัจฉริตแล ะ, ฉะเฉลียวฉลาดแต่ว่า ดูลูกแต่ละคนที่มาทำธุรกิจต่อเนี่ยมันไม่เหมือนตัวเองเลยดูทีถ่าว่าถ้าตัวเองตายไปไม่นานในทรัพย์สมบัติมันก็คงจะสลายละเพราะาดูลูกแต่ละคนลูกเลี้ยงมามันเกิดมาในกองเงินกองทองมันจะไปขยันมาเลยมันก็ใช้เงินใช้ทองไม่เคยรู้คุณค่าพ่อแม่ก็ชักไม่ไว้ใจในที่สุดก็เลยก่อนที่จะตายเขาก็เขียนพินัยกรรมเอาไว้ ทรัพย์ส่วนนี้เป็นของใครทรัพย์ส่วนนู้นมันมีอยู่ทรัพย์สิส่ก้อนหนึ่งเศรษฐีคิดว่าทรัพย์ก้อนเนี้ยถ้าพวกนี้มันใช้ไปไม่รอดมันหมดแล้วเนี่ยมันจะต้องมีทรัพย์ก้อนสุดท้ายเหลือให้มันใช้แต่ว่าจะต้องเก็บไว้เป็นความลับในพินัยกรรมเขาก็ทําเป็นลายแทงเขียนลายแทงเอาไว้ว่าทรัพย์ส่วนสุดท้ายนี้พออ่า คือประมาณหลายหลายหมื่นรูเปนะียอนเป็นทองเป็นแท่งสองหมื่นแท่งอยู่พ่อฝังไว้ที่ปลายปราสาสทเพราะพวกเศรษฐีในสมัยนะั้นก็สร้างขึ้นหาปราสาทเหมือนกับพระลายชานฝะังไว้ปลายปราสาทและจะไปเอาทรัพย์สนนี้มาได้ให้ไปเอาวันที่สิบเดือนสิบ และเวลาสิบนาฬิกากลางคืนขึ้นสิบขั้มเวลาสิบนากากลางคืนเราเขียนไว้เป็นพินัยกรรมอย่าเงี่ยทีนี้เขาก็เก็บสมุดนี่ไว้ในที่ลับนะอาจจะในหีบในห่ออะไรที่หายากหน่อยก็การก็ยังเป็นอย่างที่แกคิดก็คือหลังจากที่แกตายไปแล้วลูกทั้งหลายก็ละเลงใช้ทรัพย์ใช้สินหมดไป หลายไม่นานเป็นเวลาไม่นานทรัพย์สินก็หมดเกลี้ยงพวกเขาก็ตามสัญชตาตญาณเขาก็หาค้นหาทรัพย์สินในบ้านหาเท่าไหร่แล้ไม่เจอในที่จุดไปเจอกล่องเล็กๆปิดกุญแจสนิทเลยเขาหา่างไปเปิดไปเจอไอ้สมุดพินัยกรรมเรื่นั้นก็มาอ่านว่าทรัพย์สินที่เหลืออยู่ตรงนี้พ่อฝังไว้ที่ปลายยอดปราสาทนะถ้าใครต้องการก็ไปเอาวัตถี เดินสิบวันที่สิบขึ้นสิบค่ำเวลาสิบนาฬิกากลางคืนโอ้พวกนี้ก็ดีใจใหญ่นี่ก็ไปจ้างช่างมาลื้ยอดป ร, าาสริสาทลงไม่เจออะไรเลยน่ะยอดปราาสษัทก็พังไปไม่เจอไปัพย์อีกแั้วฮะกอเลยมานั่งคิดกันว่าเอ้ก็ไม่ได้มีแต่ทำไมเขียนเอาไว้อะ ก็เลยเอาสมุดลายแทงเนี่ยไปให้หมออาจารย์ที่ชํานาญในการอ่านลายแทงลายปริศนาเนี่ยเขาก็ถามว่าอาคุณทําตามไปนี่เอาว่าทำไมคุณโง่จังคุณไปทําลายยอดปศาสาท์อาคุณไปซ่อมมาให้เหมือนเดิมใช่แล้วเดือนสิบวันที่สิบเวลากลางคืนสิบนาฬิกามาบอกฉันแล้วฉันจะไป เอาเขาก็รอคอยถึงเวลานั้นพอถึงเวลานั้นมาเขาพากันไปสิบนาฬิกาก็หมายถึงสี่ทุ่มใช่ไหมแล้วขึ้นเดือนสิบสี่ทุ่มสี่ทุ่มแล้วแรมสิบค่าเนี่ยเออขึ้นสิบค่าเนี่ยมันพระจันทร์มันขึ้นเลยใช่ไหมพระจันทร์มันขึ้นทางด้านตะวันออกสี่ทุ่มอทีนี้อยอดประสาทมันขึ้นออกนะยอดประสาทเงาของยอดประสาทมันไปตก ที่ตรงไหนอ่ะแล้วก็หมอไอ้หลายแทงมันก็เดินพายพวกลูกเศรษฐีก็เดินตามไปเนี่ยเยอ่อประสาทเงาขาประสาทมันตกตรงนี้ยพวกคุณขุดลงไปปรากฏว่าขุดลงไปประมาณศอกเดียวเจอแท่งทองคำสองหมืนกว่าแท่งอยู่ตรงนั้นเพียบเลยแล้วพวกลูกหลายก็เอามาแบ่งกันแล้วก็แบ่งให้หมอ นั้นด้วยในฐานะที่เป็นคนอ่านลายแทงเรื่องนี้ก็จบแต่สิ่งที่เป็นปิศนาเรื่องนี้อยากจะนำมาบอกว่าพ่อผู้เป็นเศรษฐีได้เห็นอนาคตของลูกในขณะที่อยู่กับลูกแล้วน่ว และเห็นอนาคตของลูกว่ามันจะไม่ปลอดภัยแน่นอนทรัพย์สินไม่ชั่งถูกผลาแน่นอนถ้ามันใช้มันกินมันทําธุรกิจกันแบบนี้ทํามีแต่ขาดทุนหรือขาดทุนเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของพ่อในการที่จะเก็บทรัพย์สมบัติไว้ให้ถึงก้อนสุดท้ายเพราะฉะนั้นสมบัติก้อนสุดท้ายเนี่ยมันได้สติแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะอย่างน้อยบทเรียนที่มันใช้ทรัพย์สินหมดไปโดยที่ไม่รู้อะไรมันจนมันจะต้องได้สติแล้วก็คิดอย่างนั้นเนี่ยเรื่องนี้ ถึงแม้จะเป็นนิทานแต่ว่ามีปริศนาธรรมที่ลึกซึ้งมากนะลึกซึ้งอย่างไรว่าพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านค้นพบขุมทรัพย์คืออาเรียทรัพย์แล้วท่านก็เอามาสอนมาบอกให้สาวกลูกศิษย์ลูกหาได้ใช้แต่ใ น, นเมื่อการฝึกการสอนการพาปฏิบัติท่านก็รู้ว่าใครจะ รอดหรือไม่รอดแม้แต่คนที่จะไม่รอดท่านก็ยังอุตส่าห์บอกอะไรเอาไว้เป็นปิิศนานั้นพพุทธเจ้าคำสอนพระพุทเจ้าท่านก็ถูกจาริกจารึกมาเป็นพระไตรปิฎกอันนั้นคือพิณายกรรมและคำสอนของครูบาอาจารย์ถูกจารึกไว้ในหนังสือในเทปในซีดีอันนั้นคือเป็นพิณายกรรมไม่อย่างไม่ใช่ซั์ถ้าหากว่า ลูกคนไหนสาวกคนไหนที่มีความาขยันมีความฉลาดปัญญาสามารถอ่านลายแทงนี้ออกก็ได้ซั์ที่ไปใช้นะแต่ถ้าคนที่อ่านลายแทงไม่ออกก็จะทำลายทรัน์นี้เหมือนกับลูกเสตีไปทำลายยอดประสาทเราจะเห็นว่าปัจจุบันคำสอนของพระพุทธเจ้าเผยแพร่ไปในหลายมิติบางพวกก็เอาคำสอนนี้ไปอบรมสั่งสอนธรรมะหากิน บางพวกก็เอาไปประกอบพิธีกรรมบางพวกก็เอาไปทําำวิธีค้าด้วยวิธีการต่างๆเผยแพร่ได้ลาบสักการะมามากมายอันนั้นถือว่าทําลายยอดประาสาททรัพย์ที่ได้ลาบสักการะที่ได้นั้นไม่ใช่ทองคําแทนะ้แต่ทําลายยอดประาสาททาลายคําสอนคุทธิจา แต่สำหรับลูกศิษย์ูหาสาวกคนไหนอ่านลายแทงนี้ออกบอกลายแทงนี้ได้ด้วยตนเองก็ถือว่าวิเศษแต่ถ้าหากว่าสติปัญญาไม่ถึงแต่รู้จักหากัลยาณมิตรเหมือนกับลูกเศรษฐีไปหาอาจารย์ผู้ฉลาดในการอ่านลายแทงเราไปหากัลยาณีไปหาอาจารย์ผู้ฉลาดผู้รู้ทำจริงแล้วท่านจะบอกว่าจะทำอย่างไร แล้วแล้วก็ทําตามนั้นแล้วก็จะเจออริยทรัพย์เพราะฉะนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยที่ท่านแต่งนิทานขึ้นมาไม่ใช่เพื่อสนุกเท่านั้นนะแต่ท่านอยากจะสอนอะไรกับเราแต่ตาบูดีคุณเราสอนตรงๆไม่ชอบก็ท่านถก็ใช้ชาดุกนิทานอย่างแหละอย่างน้อยก็เป็นการย่อให้เห็นว่าเออเรื่องนี้มันจริงนะเหตุการณ์ปัจจุบันมันบอกอย่างนั้นเราก็เอามาอ่านลายแทง เราอ่านลายแทงออกไหมลายแทงของเราที่เขียนเอาไว้เนี่ยพูทดิเจ้าก็ได้เขียนไว้ในหนังสือไม่ได้เขียนไว้ที่ยอดปราสาทเหมือนกับเศรษฐีตรงนั้นท่านเขียนไว้ในบารมีสิบทัศนะเดินสิบขึ้นสิบค่และเวลาสิบนาฬิกาในบารมีสิบจะต้องมีอะไรอ่ะลายแทงตรงนั้นทั้งบําเพ็ญศีระบารามี ทานบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีเนคขมมาบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีอธิษฐานบารมีอุเปกรคาบารมีอธิยามนีก็เนี่ยก็อ่านก็ทำเอามาทำสิบทัดแต่ต้องทำในวันพ่อจันทร์ขึ้นหมายของพ่อจันทร์นี่เหมือนสติขึ้นทางตะวันออกอ่า ยอดประสาทนี่นคือรูปเงาของยาดประสาทนั้นคือนามตัวสติที่ขึ้นทางวันออกนั้นคือสตินามล้วนๆเราก็ดูตามนั้นอย่าไปเผือทําลายทรมานรูปนี้เหมือนทําลายยอดประสาทอย่าไปเถ้ายึดมั่นถือมั่นในคําสอนนี้ท่านพูดไว้ทั้งรุน่นเรามาขบมาเคี้ยวมาพินจพิจารณานั้นคือเอาสติปัญญาเหมือนกับเงาของพระจันทร์ที่ขึ้นในวันคือสิบคาโดือดสายบารามีสิบทัศ เรามาที่นี่เราก็มาบําเพ็ญเวลามีเนี่ยเรามาให้ทานไม่ใช่ให้ทานในที่ไม่ได้ไม่ให้เวลาเนะี่ยเป็นทานไม่ใช่ให้เงินเป็นทานเสียสละเวลามาเสียสละการงานมาเสียสละหน้าที่มาเสียสละความสุขสุนตัวมาเสียสละไรายได้มาเนี่ยนี่เป็นทานมหาศาลแล้วเนี่ย ศีลบา ร, รมีมาที่นี่ถึงแม้ว่าไม่พาสมาทานศีลทุกวันก็เป็นศีลเพราะเราไม่ได้ไปทําอะไรแต่ว่าเราถือศีลที่เป็นศีลปร r a m a t ไม่ใช่ศีลสังคมศีลสังคมมันก็บัญญัติไว้เพื่อสังคมแต่ศีลป a r a m a t ก็คือรู้จักสํารวมปฏิโมกขสังวรศีลรู้จักอาชีวประลิษฐีศีลสํารวม อายตนะสำมรวมในคำสอนระเบียบครูบาอาจารย์ท่านบัญญัติอะไรไว้ที่เวลาแต่และเวลาทำอะไรเท่าไหร่เวลานี้ทำอะไรเวลานี้ทำอะไรแล้วปฏิบัติอยู่ตรงนี้ทำอย่างไรเป็นศีลแล้วก็ปัจจยะ ส, ส, สันนิสตัศีลใช้ปัจจสี่อย่างรู้คุณค่าแล้วชาคาริยานุโยคเป็นศีลข้อสุดท้ายคือปารัความเพีย่ยนตลอดสี่ศีลแค่สีข้อนี้ศีลปรมาทมิตรแค่สี่ข้อนี้ สัมรวมกายวาจาใจสํารวมในคำสอนใช้ปัจจัยสี่อย่างดูคุณค่าแล้วก็ปารุความเพลินแต่ละเรแค่สีข่ข้อนี้เรียกว่าอาชีวปริสุทธิสินในสินและบรารมีปัญญาบรารมีรายละเอียดเยอะไม่ต้องพูดปนะแค่นั้นให้รู้ว่าอันนี้คือปิสนาสิบพ่ อ, อ, มอหมดเวลาแล้วเนาะ ก็ในสิ่งที่นำเสนอตอนเชาน้านี้อาจจะหลายอย่างแต่ก็ลำดับไวชัดเจนถ้าไม่สับสนเพราะมีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยอที่เชียงใหม่ก็ไปที่แม่ริมนะ่ะก็โยมวันนั้นโยมเขาตามมาจากเชยภูมิขอนแกน่นมาปฏิบัติอยู่ที่นั่นแหละมาก็ทำงานมาด้วยก็เห็นใจเขาไม่มีเวาวพาปฏิบัติเขาก็ปฏิบัติกันห้าหกคน เที่ยวนี้ก็ว่าอย่าไปจัดคอร์ส ต, ต่อที่เชียงใหม่เขาก็เลยไปบินไปรออยู่ที่นั่นอาไปก็ไปทั้งทันที่งานที่บ้านนึ่ยังไม่เสร็จให้ชาวบ้านทำต่อ<ม>ก็งานก็เยอะออนะถ้ามาที่นี่ได้วันหนึ่งก็อุ่นใจที่มีญาติคุกิจท่านทำงานได้อย่างเข้มแข็งโยมพิกุลโยมแม่ครัวของเราเขาเข้มแข็ง